พ่อจงเจ็ดข้อนั้นส่งผลต่อเนื่องดังตัวอย่างการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สรุปเป็นแนวความได้ว่าภิกษุได้เล่าเรียนสดับธรรมหรือคําสอนของท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณแล้วปลีกกายปลีกใจได้โอกาสเหมาะแล้วหนึ่งยกเอาธรรมที่ได้สดับหรือสิ่งที่ได้เล่าเรียนนั้นขึ้นมานึกทบทวนหวนระลึกจับเอามานึกสํารวจตรวจทาน เป็นอันได้เจริญสติสัมโพชงสองเมื่อมีสติระลึกนึกถึงอยู่อย่างนั้นก็ใช้ปัญญาเฟ้นเลือกคัดคิดค้นไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาจัดจำแนกแยกแยะสืบสาวไปด้วยเป็นอันได้เจริญท ร, รมวิจัยสัมโพชงสามเมื่อใช้ปัญญาเลือกเฟ้นไตร่ตรองสอบสวนพิจารณา ก็เป็นอันได้ใช้ความเพียรยิ่งเลือกเฟ้นมองเห็นความเข้าใจชัดขึ้นหรือลึอกลงไปได้สาระคืบหน้าก็ยิ่งคึกคักมีกําลังใจอยากเดินหน้าต่อไปกระตือรือร้นแข็งขันเพียรพยายามไม่ย่นยอ่อเป็นอันได้เจริญวิริยะสัมโพชง 4. พร้อมกับที่ระดมความเพียรเอาจริงเอาจังมีกาลังใจเข้มแข็งรุดหน้า ก็เกิดปีติที่เป็นนิรามิตเป็นอันได้เจริญปีติสำโพชงห้าเมื่อใจปีติทั้งกายทั้งใจก็ผ่อนคลายสงบเกิดกายปััสธิและจิตต์ปัจัสติเป็นอันได้เจริญปััสธิสำโพชงหกเมื่อกายผ่อนคลายสงบมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เป็นอันได้เจริญสมาธิสัมโพชงเจ็ 7. เมื่อจิตตั้งมั่นแน่วอยู่กับงานของมันหรือทรรมกิจของมันได้ดีแล้วใจก็เรียบเข้าที่เพียงแต่วางทีเฉยดูไปหรือนิ่งดูไปสบายพอดีเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นอันได้เจริญอุเบขาสัมโพชงพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักไว้ดังที่เคยยกมาให้ดูแล้วว่า สติปัฏฐานสเป็นอาหารหล่อเลี้ยงพ่อชงเจ็และสติปัฏฐานสี่นั้นเมื่อได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมยังพ่อชงเจ็ให้บริบูรณ์พ่ชงเจ็ดเมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิ ช, ชาและมิมตทให้บริบูรณ์นี่ก็คือว่าการเจริญสติปัฏฐานเป็นการสร้างฐานปฏิบัติการให้คณะของพ่ชง มาลงสนามทำงานวิธีเจริญสติปัฏฐานสที่จะยังพโฉชงเจ็ดให้บริบูรณ์ก็คือเมื่อมีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาอยู่ในเวลานั้นบุคคลผู้นั้นจะมีสติกำกับอยู่ไม่เลือนหลงเมื่อมีสติอยู่อย่างนั้นก็ใช้ปัญญาสอบสวนสืบค้นเลือกเฟ้นทำตามหลักของธรรมวิจัย ต่อจากนั้นการปฏิบัติตามพ่อชงข้ออื่นๆก็จะดำเนินไปตามลำดับอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นช่วยนำไปสู่วิ ช, ชาและมิมุติในที่สุดแม้แต่ในเวลาฟังธรรมถ้าตั้งจิตมาสิการทุ่มเทให้อย่างหมดใจเงี่ยโสดลงดับในเวลานั้นนิวรณห้าก็ไม่มีและพ่อชงเจ็ดก็จเจริญเต็มบริบูรณ์ได้ พ่อจงเจต์นี้จะเจริญโดยปฏิบัติพร้อมไปกับข้อปฏิบัติอื่นๆทั้งหลายก็ได้เช่นปฏิบัติพร้อมไปกับอาณาปานสติพร้อมไปกับอั ป, ปมัญญาหรือพรมวิหารสีและสัญญาต่างๆเช่นอณิจจสัญญาอสุภสัญญาวิราขสัญญาและนิโรธสัญญาเป็นต้นและจะช่วยให้ข้อปฏิบัติเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพื่อความโปร่งปลอดรอดภัยอย่างมากเพื่อความสังเวชคือปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้อนในกุศลธรรมเป็นอย่างมากเพื่อผาสุวิหารคือความอยู่ผาสุเป็นอย่างมาก